เป็นโอกาสลุยไปเป็นโอกาสฟังธรรมและเป็นการปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาด้วยการนั่งสมาธินี้ต้องให้ภากันแก้ไขอย่าให้เป็นการนั่งสมาธิหลับนั่งสมาธิหลับหรือนั่งสมาธิอ่อนแอ อย่างนั้นช่ไม่ได้บางองค์ก็เอนไปจนกระทั่งพุดลงไปข้างหน้านอนหลับเหมือนกับนอนในหมอนอย่างนี้แล้วไม่ใช่สมาธิภาวนาในทางพุทธศาสนาการนั่งสมาธิภาวนาให้ผาสันดูตัวอย่าง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 เรวาวางคับกายวาจาจิตของพระองคให้โยในข้าสมาธิภาวนาและไม่เฉพาะเวลาหนึ่งเวลาใดด้วยดย่างในคืนวันที่พระองค์จะได้ตรัสรู้นั้นแม้จะได้ตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ไม่ได้ย่อหย่อนท่อถอยแล้ววันนั่งตลอดวันตลอดคืน ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเราจะไปเข้าใจว่านั่งก็เป็นยึดอีสานแล้วอยากหลับก็ปล่อยให้มันหลับไปอยากไหลก็ปล่อยให้มันไหลไปอย่างนี้ไม่ถูกที่ทำให้นั่งขับสมาธินั้นแสดงออกซึ่งความองงอัตตาหานในทางร่างกายแล้วทางจิดทางใจ ก็ไม่ให้จิตพุ่งสานไปที่อื่นจึงมีบริกรรมภาวนาบทใดบทหนึ่งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวไว้ในใจรวมจิตรวมใจของตนในเข้ามาภายในไม่ให้อยู่ภายนอกไม่ให้ออกไปหาอารมณ์ภายนอกเวลาภาวนา เป็นเวลาเอาจิตเอาใจเข้ามาภายในเมื่อจะมีความคิดนึกคุงแสงอะไรอยู่มากมายหลายอย่างหลายส ก, การอย่างไรก็ตามสิ่งที่เป็นอดีตอนาคตนั้นต้องเลิกละสั ด, ดปลดปล่อยออกไปให้หมดสิ้นคนอื่นผู้อื่น จึงเอินภายนอกไม่ให้เข้ามาเกี่ยวข้องใ น, ในใจิตในใจของตัวเองเวลานั่งภาวนาเจสังจิตสังทำจิตให้เป็นดวงเดียวเกโกโุยโสเป็นชายคนเดียวเป็นหญิงคนเดียวไม่ให้ไปเกี่ยวเกาะกังวลกับเรื่องใดใดทั้งหมด ให้ดูตัวอย่างพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราในวันที่พระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นสระพุทธเจ้านั้นเรียกว่าเป็นตัวอย่างอันดีเวลาท่านนั่งสมาธิภาวนาก็นั่งขัดสมาธิเพชรแล้วจิตใจของพระองค์ก็เป็นเพชรด้วย เรียกว่าแข็งแกร่งไม่มีความย่อท่อต่อทุกขไทยต่างๆนานาได้วานนั่งเหมือนต่อไหมไม่มีความง่วงหลับง่วงนอนเหมือนพวกเราถ้าฮาว่าพระพุท ธ, ธเจ้าไปมัวนั่งหลับเหมือนพวกเรา ที่ไหนจะได้ปรับสู่เป็นพระพุทธเจา้าสมัยที่พระองค์ดาเป็นทานรักษาศีลภาวนาสร้างบุญบารมีมากว่าดีพระองค์ตั้งอกตั้งใจประกอบธรรมทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ทำเล่นๆ เ, เหมือนพวกเราทั้งหลายแต่ว่าทำจริงๆปฏิบัติจริงๆ ทำอะไรเมื่อมันมีความจริงในจิตในใจละ่ะอันนั้นละสมาธิภาวนามันอยู่ที่จิตใจทำจริงๆภาวนาจริงๆนี่เ่ว่าคนอื่นไม่รู้ไม่เห็นเราจะคิดไปที่ไหนก็คิดฟุ่งซ่านไปอย่างนี้ไม่ได้ไม่มีหลักจิตใจของตัวเอง ไม่มีอธิษฐานไว้ในจิตในใจต้องมีปัจจะความจริงใจมีอธิษฐานใจไว้สิ่งใดที่ไม่เหลือวิสัยต้องให้ทำได้ดางชั่วคณะที่เราฟังทำนั่งสมาธิเป็นเวลาตั้งใจเป็นพิเศษ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 ความอยากได้อยากดีอยากเป็นอยากมีอะไรทุกอย่างทุกเกิดการกิริยาถานับไม่ท่วนอันนี้มันเรื่องคนเป็นคนตายนะเขาไม่เกี่ยวข้องผูกพันแม่ผู้โยทางหลังจะร้องให้น้ำตาไหลอย่างไรร้องขออย่างไรคนตายก็ไม่เกี่ยวมันเฉยไปหมด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 ทำเฉยไวเหมือนคนตายเหมือนของตายมันจะอยากได้อยากดีอยากเป็นอยากมีอะไรตามอำนาจกิเลตราคะโทสะโมหะแล้วเป็นอันว่าเราทุกดวงใจต้องลุกขึ้นต่อโซภาวานาพุทโธในใจรวมจิตใจให้สงบตั้งมัน่นเป็นสมาธิภาวานา ไม่ใช่เพียงแต่ว่าหูฟังใจพุ่งส่นหูได้ยินใจไม่ได้ยินอย่างนี้ไม่ได้กายวาจาใจเวลาปฏิบัติบูชาภาวนาต้องรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน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 นอกจากรักษาสินห้าสินแปดสิบสิบสองร้อยยี่สิบเจ็ดแล้วก็ต้องมีการนั่งสมาธิภาวนาให้มันมีความเข้มข้นขึ้นไปโดยลำดับลำดับบวชมาหลายปีได้แต่อายุได้แต่พรรษา สติปัญญาวิชาความรู้ในจิตในใจมันไม่ก้าวหนะ้ามันถอยหลังเข้าคลองอยู่เรื่อยอย่างนี้ไม่ได้มันต้องเลิกเลิกขืนก ร, ระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทาั้งหลายนั่นท่านภาวนาท่านมีความก้าวหน้าไปไม่ในใช่ถอยหลังเข้าคลอง ภาวนาวันหนึ่งคืนหนึ่งจะให้มันก้าวไปโดยลำดับลำดับความเจข็ขคานทอดถอยความทอดแท่อ่อนแอในดวงจิตดวงใจไม่ให้มีในใจของผู้ปฏิบัติให้มีความก้าวหน้าเจริญไปดูตัวอย่างพระพุทธเจ้า พระองค์ทำก้าวหน้าให้เรา ท, ท่านทางหลายเห็นอย่างว่าวันที่พระองค์นั่งสมาธิภารณาในวันเดือนหกเต็มเดือนหกเต็มหมายถึงพระจันทร์เต็มดวงของเดือนนั้นพระจันทร์เต็มดวงนั้นหมายถึงความแจ้งความสว่าง ไม่ใช่ความมืดพระองค์ทำความแจ้งความสว่างให้ปรากฏวันนั้นพระองค์นั่งขัดสมาธิเพชรเสร็จเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็ตั้งสัดอภิฐานในใจของเสด็จองไม่มีใครไปบอกท่านท่านทำเองว่าการนั่งสมาธิภาวนาขั้งนี้ จะไม่ทอดแพร่ออนแอร์ในหัวใจจะเอาชีวิตเป็นแดนสุดท้ายแม้เลือดเนื้อเชื่อไขจะเลือดแห้งไปหรือจะหนังหุ้มกระดูกก็ตามทีมันจะตายก็ยอมตายในที่นั่งนี้ไม่ต้องลุกไปมาในที่ใดๆ นั่นือว่าความสามารถอาฐารในใจของพระองค์มีสักาะอธิษฐานตั้งมั่นลงไปในจิตใจจริงๆถ้าหากว่าสู้กัจิเลมานสังขารมานในใจไม่ได้พระองค์ยอมตายในที่นั่งนั้นไม่ใช่ว่าจะไปหลับไปไหลมัวเมาไปเหมือนกน่อน จ, จิตใจของพระองค์เรียกว่าลุกขึ้นเต็มที่ไม่ใชอยู่ในที่เก่าเมื่อว่าตายก็ยอมตายจะมีภัยอันตรายห้องทานเข้ามาก็ไม่กลัวเพราะพระองค์ได้เสียสละตายลงไปแล้วความเจ็บปวดทุกขเวทนาในโรกประขัน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 แต่ว่าท่านลุกขึ้นต่อสู้ในใจไม่เฉพาะแต่ในใจท่างกายท่านก็สู้ด้วยท่านไม่ลบลีกเดลามานกิเลสขันธมรนเมื่อความเจ็บปวดทุกเวทนาบางเกิดมีขึ้นในสังขารหลั่งสายพระองค์ก็ไม่เข้ามายึดมาถือว่าพระองค์เป็นผู้เจ็บ ธาดดินเขาเจ็บช่างมันท่านว่าอย่างนั้นธาดน้ําเขาเจ็บช่างมันท่านว่าอย่างนั้นธาไฟธาดลมเขาเจ็บไข้ได้ป่วยทังหาเขาเกิดตั้งอยู่อีกไม่นานเขาก็แตกดับไปสังหะจิตใจของพระองค์ไม่ไหวหวนันท่านสิง ตายก็ให้ตายด้วยการหมดกิเลสลาคะโพสต์โมหะไม่เสีตายเรี้ยรากเหมือนคนเราในโลกคนเราในโลกเรียกว่าตายเรีย้ยตายลาดตายทับถาดจากของรักของชอบใจวุ่นวายไม่มีจิตใจอันของใสสะา เลาะไม่ภาวนาทำความเพียรละกิเลสในจิตในกายเหมือนกระพุท ธ, ธิเจ้าแห่นนั้นการนั่งสมาธิภาวนาเราท่านทั้งหลายให้ภากัรลำลึกเตือนจิตเตือนใจของตัวเองขึ้นมาอย่าไปเพียงแต่ว่าทำอะไรก็ทำได้แบบบุลมบุลานเท่านั้นพอเป็นพิธีการ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 จะได้ตรัสทะรู้นั้นเรียกว่าแข็งแกร่งทุกอย่างทานพระองค์ก็บำเพ็ญมาได้สูงสุดเป็นที่ศีลพระองค์ก็บำเพ็ญมาในคัมภีบารมีเว้นจากตามเว้นจากผู้ครองเรือนพระองค์ก็เป็นบำเพ็ญมา แข็งแกรงที่สุดไม่มีกระแสจิตอันใดที่จะแสสายไปหาตามมคุณตามามาสิเลชิกแล้ววันเน่คัมมะออกจากกิเลตลาคะโทสักโมหะในจิตใจจริงๆทั้งภายนอกทั้งภายในด้วยแล้ววันเน่คัมมะออกไม่เข้าไปหาใคร มีสมาธิตั้งมั่นลงไปในใจและพระองค์ํำเพนปัญญาเรียกว่าความฉลาดความเฉลียวความฉลาดความสามารถอาจาำเป็นจิตใจอันแหลมคมทะลุปุกองทุกอย่างทุกประการท่านไม่ยอมให้สิ่งใดมาพ้องผ่านให้จิตใจลหลงไหลต่อไปได้อีก ผ้าเปียกเหมือนแหลมก็เรียกว่าเหมือนเข็มเย็บผ้าจะเป็นเข็มจับเข็มเย็บมือก็าตามแทงทะลุไปได้ในผ้าฉันใดกิเลสในใจของพระองค์พระองค์แทงทะลุได้หมดไม่ยอมให้มันลหลงไหลต่อไปอีกเรียกว่าปัญญาความสอดส่องทุกอย่างทุกประการ ไม่ใช่คำพูดแต่มันเป็นในใจเจตใจของพระองค์มีความแน่วแน่มัน่นคงไม่หลงไหลจริงๆเจ้ <c oughs> จนี้ความภาคความเพียนความพยายามคนก็ไม่ทอแพ้อ่อนแอในดวงใจล้วว่าตั้งใจอย่างไรก็ตั้งใจอย่างนั้น ภาวนาอย่างไรท่านก็เอาจริงอย่างนั้นเมื่อเลือกทำภาวนา อ, อนาปานุสติกรรมฐานได้แล้วพระองค์ ม, มั่นใจทุกลมหายใจเข้าออกตามรู้อยู่ในดวงใจว่าลมผ่านเข้าไปยาวหรือสั้นหยาบหรือละเอียดตามรู้อยู่ในที่นั้นลมออกมา ยาวสั้นหยาบละเอียดตามรู้อยู่ในดวงจิตดวงใจไม่ใช่ลเลหลงไหลไปกับคนสัตว์วัตถาทั้งหลายนำใจของกระพุท ธ, ธิจันแนวโยที่อนาปาลมหายใจจนกระทั่งจิตใจที่รั่วไหลไปอย่างก่อนๆไม่มี ดวงจิตผู้รู้โยที่ไหนพระองค์ตั้งมั่นอยู่ในที่นั้นจนเห็นแจ้งชัดอยู่ในจุดจิตใจของพระองค์ว่า น, นอกจากจิตใจดวงที่รู้อยู่นี้ออกไปทั้งหมดทั้งมวลไม่เที่ยงทั้งหมดเป็นทุกข์ทั้งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราขึ้นชื่อว่าสังขารทางหลายมีความไม่เที่ยงแค่แน่นอนทั้ง เจตของกระองค์ก็บริสุทธิ์ของใจถ้อานปราศจากกิเลสเรียกว่านั่งใจเบากายเบาไม่ใช่นั่งหนักนั่งเบานั่งสบายทุกขเวทนาจุกขเวทนาเฉยเฉยเวทนาเข้ามาคุกขามจิตใจ ข, ของกระองค์ไม่ได้ เจตใจของพระองค์แล้วว่าสูงสรงสาม า, ารถอ่านมีความอดความทนมีความสัก์ความจริงมีศักดจาอธิฐารมีเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาในจิตใจของพระองค์จริงๆ อะไรอะไรทุกสิ่งทุกอย่างท่านม้วนลงไปว่าโลกนามกายใจนี่ก็ตามโลกนอกคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายในโลกก็ตามมันไม่เหลือหลักสามประการคืออนิจจังอนิจจาความไม่เที่ยงทั้งหมด นามประไทยใจพระพุทธเจ้าแจมแจ้งภายในทุกขังสิ่งที่มนุษย์โยอาศัยบินหลนวุ่นวายอยู่ไม่นอกไปจากความทุกข์มันเรื่องความทุกข์ทั้งเพเรื่องความทุกข์ทั้งนั้นยินดียินลายอะไรทุกอย่างมันเรื่องทุกข์ท่านไม่ลหลงไหลไปกับ อารมณ์เรื่องราวเหล่านี้ทำแจ้งในอกในใจอยู่แล้ว่าแจ้งใจไม่ใช่แจ้งลืมต่างไม่ใช่แจ้งดวงพาทิตยระจันไม่ใช่แจ้งดวงไฟฟ้าไม่ใช่แจ้งดวงไฟใจมันแจ้งใจมันแจ้งครับว่า มีรูปนามกายใจตัวตนสัตบุคคลอยู่ที่ไหนก็ต้องมีความทุกอย่างนี่อย่างนี้เห็นแจ้งอยู่ตลอดเวลาจะต้องมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนอย่างนี้เจตจะได้มาหลงไหลนามพระททยใจพระพุทธกาก็ย่อมสงบละงัับ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 ใครจะนั่งมากน้อยขนาดไหนก็ตามแผ่นดินก็ตั้งมั่นอยู่นามพระทตยใจประพุท ธ, ธิจามีความตั้งมั่นอยู่ในสมถะรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานจึงสามารถอาาัดบวงห่วงอาัายทกิเลสตัณหามานะคิดถิ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 จิตใจของพระองค์ไม่ไหวหวันท่านพึงไปตามคนจัดวัตถุภาตทั้งหลายเรียกว่าพระองค์ตัดได้ขาดมีจิตสามา่อาสาหันจริงๆเหตุนั้นเราทุกลมหายใจเข้าหายใจออกยาได้มัวเมาประมาทมรนังเมภาวิสติเราต้องตาย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 มรณงเนภาวิสตินึกให้ได้เจริญให้ดด้เพราะว่ากรรมฐานข้อนี้นั้นผู้ใดเจริญจนทราบซึ้งตึงใจในหัวใจผู้รู้อันนั้นเต็มไปด้วยมรณะกรรมฐานจิตใจดวงนั้นจะมีความสลดสังเวชในความตายนั้น ว่ามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกไม่มีใครเหลือความตายไปได้เจตใจของผู้ภาวนามรณะกรรมฐานก็จะมีความสงบกังับตั้งมั่นจริงๆเพราะความตายมันไม่ได้เลือกน้าไม่เลือกว่านว่าคนนั้นจะมียศมีอย่างมีชื่อมีเสียง มีศีลมีธรรมกรรมฐานอย่างไรก็ตามในองค์พระบรมศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> ก็ยังไม่ยกเว้นเมื่ออายุได้แปดสิบบริบูรณ์มรณะกรรมฐานก็ยกเว้นไม่ได้แล้วแล้วจะมายกให้พวกเรา ค้นจากความตายนั้นได้ที่ไหนเราต้องรีบเร่งปฏิบัติบูชาภาวนาไว้ก่อนนั่งก็ตั้งใจภาวนาเดินก็ตั้งใจภาวนาเดินโยก็ตั้งใจภาวนาแม้จะไปรถไปราที่ไหนก็ตั้งใจภาวนาอยู่ยิ่งเวลาไปรถไปลา ให้เข้าใจว่านั่นเละใกล้ที่สุดถ้าฆ่าลดความลดชนกันเขามาณะกรรมฐานมันไม่จะไม่ใช่คำพูดเลยมันจะแหลกลานไปถ้าคนเคยไปเห็นที่เขาเกิดตุปฐวเหตุมันจะไม่ใช่คำพูดแล่ละ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 แค่ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นเราอยากไปเข้าใจว่าวันคืนเดือนตีอีนั้นตีนี้เป็นอายุของเรารอบปีกนให้ตีอันนั้นวันคืนเดือนปีนับเอาทะลายก็ได้แต่อายุชีวิตจริงๆนะ่ะมันเหลืออยู่แค่ลมหายใจเท่านี้ถ้าลองลมหายใจจบลงไป หายใจไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้นก็ตายนั่นสินี่แหละคันว่มามัละนังเมภาวิสติเราต้องตา่านเมื่อเราตายได้คนอื่นผู้อื่นก็ตายได้เหมือนกัน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 ก็จะมาล่องคางให้ความตายกว่ายังไม่สมควรเลยยังเด็กอยู่ทาไมมาตายก่อนพ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่ได้ทั้งนั้นไม่มีข้อยกเว้นมีอยู่อย่างเดียวผู้ใด ย, ยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่อย่างขณะนี้เวลานี้เป็นสิทธิของเราที่จะต้อง ฮาวันาบริกรรมทำใจให้สงบตั้งมัน่นเมื่อเราจดจำอะไรไม่ได้พุทธโธคุณพระพุธธรรทธเจ้ารมโมคุณพระรรมสังโฆคุณพระอริยสงเนกได้ขอด้อใดสิ่งใด็ น, น้อมเนกลำลึกขึ้นมาในใจิตในใจนี้ให้ได้ตลอดเวลา กลางวันก็มันได้ตลอดเวลากลางคืนก็ให้ได้ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้แล้วว่าเ้าให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกนะถ้าไม่ได้ทุกลมหายใจเข้าออกชื่อว่าเป็นผู้ประมาทผู้ใดประมาทชื่อว่าเป็นผู้ไม่เจริณ ผู้ไม่ประมาทนั้นทันวันนึกได้ภาวานานได้รวมจิตใจนี้อยู่ได้ทุกลมหายใจเข้าออกยังมีลมเข้าออกอยู่ใจก็มั่นคงลงไปในสมัยขั้งพุทธาลพุทธสาวกแรกก็เรียก ว, ว่าพระองค์โปรดปัญจวัคคีฤสีขังห้า ให้ภาวนาทำความจีนละอิเลสจนพระัญญาโกณนนัญญะได้สำเร็จเป็นพระโสดาปัติคลเป็นพระอริยะบุคคลเกิดขึ้นในพุทธศาสนานานแล้วคือว่าท่านตัางใจใจท่านตั่งใจไม่นอนเมื่อใจใครไม่ตัางใจนอนกายมันก็นอน มันก็หลับไปตามความหลงอันนั้นต้องตายก็ไม่ให้หลับตื่นอยู่ใจก็ไม่ให้หลับไม่ให้หลงรู้สึกสำนึกอยู่ในใจนี่ตลอดาจความสาม่อาขามในใจก็มี่ยทุกเวลาเวลาเล่นไม่ให้มีเวลาหัวล็อกติ่นไม่ให้มี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 โู้รู้ผู้เห็นผู้ได้ยินได้ฟังอยู่นี่แหละให้เต็มที่เต็มฐานให้ดวงจิตดวงใจดวงนี้มีความเบิก บ, บานยินมแย้มแจ่มใสตั้งมั่นไม่หวั่นไหวสั่นสะเทือนล้ว๋่วมีสติอยู่ในดวงใจมีสติเต็มที่ละลึกได้อยู่ทุกเวลา เมื่อมีสติละลึกได้โยทีไหนสมาธิก็ตั้งมันลงไปได้ในที่นั้นปัญญายานก็ย่อมเกิดขึ้นที่นั้นญาณอันวิเศษละกิเลสราคะโทสะโมหะให้หมดไปสิ้นไปก็เกิดขึ้นที่จิตใจนี่ทท้งนั้นไม่ได้มาจากที่อื่น ที่อื่นไม่มีมันมีอยู่ว่ใจคนเหล่านี้เองเมื่อกายวาจาใจจิตใจเราอยู่ที่ไหนตัวเราอยู่ที่ไหนนั่งอยู่ที่ไหนนั่งทำอะไรในขณะนี้เวลานี้นี่แหละสมาธิตั้งลงไปที่ตรงนี้ความตั้งอกตั้งใจอันนี้และให้มีความหนักแน่นมั่นคง อย่าได้มีความยอดท่อต่อข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติอันใดที่เป็นไปเพื่อละกอิเลตราคะโทสะโมหะขอให้รีธ์ทำารีกปฏิบัติอย่าไปรอคนนั่นอย่าไปรอคนนี้ตัวใครตัวมันเวลาเกิดมาไปรอพร้อมใคร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 ภาวนาบทใขดข้อใดก็ย่อมมีเวลาทั้งนั้นไม่สงบไม่มีไม่สงบมันจะไปอยู่ที่ไหนหัวใจมันอยู่ในร่างกายของเรานี่ใจมันอยู่ภายในนี่เราตั้งใจบริกรรมภาวนารวบรวมกำลังกายกำลังวาจากำลังจิตกำลังใจ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 ยังไม่ถึงตายมันก็บ่นว่าตายแล้วตายแล้ ว, ลวคือว่าใจมันตัวตายกลัวแล้วมันไม่ตายเลยคนตัวตายแลวมันไม่ตายเลยความตายมันเป็นหลักกรร ม, มฐานที่จะต้องรู้ภายในที่จะต้องเห็นแจ้งปัจจังจำเพาะจิตของตัวเอง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 จิตมันจะไปตายอย่างไรจิตมันไม่ตายเมื่อจิตไม่ตายเราจะไปกลัวมันทำไมนั่งภาวนาปฏิบัติบูชาภาวนาในจิตในใจให้มันเต็มที่ร่างกายสังขารมันเป็นเพียงรูปปักขันมีเหตุปัจจัยให้เกิดมีขึ้นมันก็เกิดขึ้น เมื่อเกิดขึ้นเจริญววยใหญ่โตมันก็ตั้งอยู่ชั่วระยะกาลเวลาหนึ่งเท่านั้นเองอีกไม่นานมันก็ชำรุดชุดโทมไปตามสังขาร น, นั้ น, น, นผลที่สุดโลกอาขันนี้มันเกิดมาจากผืนแผ่นดินเวลามันตายก็ทับผมแผ่นดิน เขาไฟก็เป็นเท่าเป็นฐานเป็นแผ่นดินฝังดินก็ผมแผ่นดินอยู่ในนี้เลจต ใ, ใจผู้รู้ผู้เห็นผู้ภาวนายาได้มาตัวหวานสะดุ้งต่อมานสังขารมันโกหกพกลมมันหลอกลวง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 เนาว่าตนเองเป็นที่พึ่งตัวเองอัตตาทิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนตนบำเพ็ญภาวนาตนนั่งธรรมฐานภาวนาตนบริกรรมภาวนาตนต้องกำหนดอสุะกรรมฐานในร่างกายสังขารจนเห็นแจ้งแทงตลอด ต้องต้องกำหนดได้ซึ่งมรณกรรมฐานแจมแจ้งชัดเจนภายในจิตใจนี้อยู่จึงจะไม่หวั่นไหวสันสะเทือนด้วยกิเลสลาคะมันกระทบมากิเลสโทสะกระทบมากิเลสโมหะกระทบมาจึงจะไม่หวั่นไหวสันสะเทือน ไม่มีความสะทกสะทานยาน้่นกัวตอบภัยอันตรายเหล่านี้คือภาวนาให้มันข้ามไปพ้นไปแล้วไม่มายึดหน้าถือตาไม่มายึดตัวถือตนไม่มายึดความสุขความทุกข์อันปลากรการอยู่ในกายวาจาใจนี้เมื่อเจ็ตใจไม่มายึดมั่นถือมั่น ไม่สำคัญผิดไม่หลงไหลมีความเปียนเป็นเบื้องหน้ามีความมุ่งมั่นตั้งหัวใจของตนอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเวลาไหนนั่งเวลานั่งตก็ภาวนาปฏิบัติบูชามีจิตใจเข้มข้นอยู่ตลอดกาลเวลายืนยืนภาวนาพิจารณาธรรมกรรมฐาน รวมจิตรวมใจเข้ามาภายในอยู่เวลาเดินจมกลมเวลาเดินเวลาไปเวลามาอย่างไรก็ตามจ็ตใจผู้ตั้งมั่นในสมาธิภาวนานี้จะไม่มีวันทั้งหรือลุ่มหลงมัวเมาเป็นจิตใจอันแน่วแน่เด็ดขาดอยู่ในตัวใทต้น ว่จากนักข่าของของบุคคลที่อื่นเพื่อปล่านั้นไม่สมบัต่จึงตัดใจตีหรือเป็นมันเป็นทางอะไรกบตามถ้าจะเกิดรักงคร่กันขึ้นมาจะพิรากศีลอยบริส home. Um. เลือตลิสากจิงรีดมนแต่ล้วก็หาให้เอกเข้าในชีวตสลากจิงเลือดเลือดเอาที่เหือในคอมื่อจะรักษาเยอ่เลื อ, มอดมันได้เงินได้ทองอะไรเพราะนันจะง่าย ส, สบายเอาความสะดวกสบายว่า ตัวว่าทางศีภาวนาบาลีากัจจักสด้าต้องสติบัติปุถากาภาวนาทุกทิ่งทุกอย่างง่ายสุดฝาเอาที่ายที่สุดมันจะอยู่แล้วจุดทั้งตัวก็อยู่อย่างนั้นแต่ไม่ใช่ตรวจตรทีนั้นออนเรื่ อ, อ, องการดื่มกุศตเ้ือนะงการ า, ามสตายสบายใจ ตารงารอย่างนั้นก็การงานควให้เดาสังเกตในสวรรค์ท่านท้าวิมานห้สร้านอาทีพยากขาดหมองยุ่งวายแต่ว่าเวลาทั้งเวลาปฏิบัตบบทิทั้งดาวก็ชอบรับเอาถ้าสร้างใจจริงจิง กาทันนึกใหไ้ได้ให้ น, นึกยังเดินให้ได้ถ้าให้นึกว่าไม่สื่ใจก็เป็ในใจได้ต้องคนเราตัวเราเป็นผู้จับไม่สออย่างมาถือกันครัจังหมือไม่ถือไม่เหมือนไม่สือใจก็ได้ต่จะได้ไจมาใชกัเนเ ทุการท่ตั้งส้งลดขึ้นใาวันนายังอยา้ไม่ดไหวท่าดีวมันก็เดียวยเบาจะออกพษาแล้วแต่ถึงวันมหาปวารนาอยู่สิบสี่ห้าวันก็มัดเกดมเ็สามเดือน ฉงน้าเ้ า, าลเรื่องลิกภาวนาเดี๋ยวนี้ขณะนี้หรือตั้งต่อคืนนี้ยัน น, นี้จนเต็มได้เงไม่ทันฉันยังใจอยู่ในดันอยงเล็กขึ่นภาวนาอยา่าไปงงใจหลับไปนอนทายาทา้ง่องทั้งสามทั้งสี่ มันจะออกไปได้เราจะเลิกมันได้ละมันได้แน่ความเกลีเลือดหลงอายุชาปัญหาเรื่อเกลีดเหมือนแข่งเหลือยางต่างเร่งจิตาจุดตม้แล้วจะดีจุดใหม่ก็ตามไม่ก็ตามกาความมามันทวาาม หากยังอยู่แล้วที่แหลกามกอดเลหลงแบบนี้ให้อาตันนานๆๆๆ่นกายวาจาจิตของเราชาวของเราให้ดูภาวนาพุทเธธรรมเมาตังโคลีย์ชังราให้ดูสุดายทำทุกอย่างทุประดาร อยู่ในกบ้าซึ่งมันอยที่การลงือทำารื ว, ว่าตั้งใจทำขณะตั้งใจนี่มันไ่่าทั้งตาทั้งหัวตาทั้งจิต ท, ท, ท, ท่ า, างกายวั้งกายทงใจทุส่วนนันหละจึงจะเป็นศีจึงจะเป็นธรรมเนครามแสงแสงสงแบบุสุเจ้า มันทำเรื่องเื่ออื่นทำให้เรื่องมันเป็นเรื่องเสอเราเองตองตั้งอัอดตั้งใจปฏิบัติดูาภาวนามาันป็นเหมื็นคนงานงานเหองานจุดเดคดทางจงหวะภาวน า, ท, า, นนน า, วาที่นอง ม, มันจะบอกว่าที่นรองดีกว่า มาโน่มาภวนามาตั้งสองเดือนกับทุ่มห้าวันเลยที่โลกนี้จาของเราทึกคนนเบาบางใจหรือยังังหันน่อยู่ังหันนั่งโดยเจตหมั่นนันใจไม่บงเรื่องการเนตั้งแต่เกืียนมือเดียวนี้นเตน เสีเวลาเพราะว่าวั น, นเตือเดือนคืที่มันเรื่องใครเรื่องใค่ที่เราเห็นเด็กกลางวั น, ท, นทึกสางชั่วงกันบแบบจังอยู่กางคืงถ้าถึงเช้ว่างก็อยู่ทุกสองชังว่วโมงนั่นจะหมดสิแล ว, วมัะว่าสิ้นจังเงาใจแต่วันเตือนดือนคื อ, อย่างนั้น จิ้มต่ิตของเรนังเนตตนดนยุนนนยปุสุสุุทางน อาตาใ้ยดาัส่เยาจนธรรมดานั้นตัั้นทุนเรืัวนไปเ่นมมดาดธร่นไม่เดมืดเือนเพ่งเรืงนั้นเพเั หน้าตของเนีาตอะรน้ารือหนันงห้่ลทยเ่้นธรรมาโลกอย่างนี้้าาลุ้้นะ ท้าใจเองเองข้าค <hi> นาน่เกลยอยู่ในแบบถ้าฟังสังเกตุใทั้งหลายข้าองก็รู้ตัวเลยเป็นังเกตุใจนั่นข้าเองอาจจะยึดเหนีวมาต่เพาว่าธรรมะทั้งสี่อาจจะขยันนะแต่ ถ้าสงไข่แสงนะฮัดได้ถ้าเหตุน่าสวไข่งนะกัดได้ที่เหตุน่าสงไข่จดูถาสงไข่จะดูดูแลสงไข่จะดูถ้าใจเปลี่ยนไปว่าไมนเอาทั้นั้นไม่าทั้งนั้นดูใจทําความดู ยังควทามรักษาสิ้นพายะน่าจะมาลงเลิกเลยน่าโมจิตจงสรางลังทานใครที่เองรักจิตใจสังกัจจ์ที่เสริอมถึงโยนที่เสื่อมเหมนเช่นเดือดเปรี้ยวนกันไม่จืดเฉยสลดเช่นเดสอดหายจืเฉยส จิตเราเนี่ยจะเหมือนกันถ้าแมว่าใจมันคงใจตามอำนาจของกิเลสกานหาแล้วอ่าต้องจับตามถ้างย่างลดขึ้นภาวนาอ่าลดขึ้นภาวนากิเลสงานสังขาลามันก็ยดย่้งยั้งดี มังจะลดขึ้าปฏิบัติภารกิาวนาไม่ได้ที่เราควรจอดเลื่อนยึนยังจิตยังใจของเราค้ิดท่านท่าจะลดกรมันมาไหน งบจิตใจของตอนให้ตั้งมั่นโยภายในจิตใจนี้ทุกลมหายใจเขา้าทุกลมหายใจออกความวุ่นวายภายนอกก็ไม่มีเพราะว่าลมหายใจเข้าออกจิตใจก็รู้อยู่ที่ลม